พัฒนาจนกระทั้งกลายเป็นเสมือนอภิมนุษย์แต่ที่จริงไม่ใช่เพราะว่าอภิมนุษย์มีอำนาจเหนือมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ได้มีอำนาจเหนือความเกิดแก่สิตายเมื่อขราวพระอนุนโน้มจีวรใหม่สองผืนพระบาถวายแล้วก็ได้เหลือเห็นพระชวิวันของท่านม่นหมองก็อเอกใจและลำพึงเปลยขึ้นถามท่านว่าเพราะอะไรหนอพระชวีวันของพระธากด จึงหมลหมอกท่านก็เตือนด้วยความรู้ว่าเราไม่เคยบอกเธอเลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังท่านก็อ้างว่าพระชวีวัรณท่านผุดผ่องขึนในการสามครั้งเท่านั้นผมจําไม่แม่นนะฮเหมือนการก่อนตดรู้ลงอายุสังขารและบริณุพัานถ้าไม่ผิดพลาดก็คงตามนี้นะฮะหลายครั้งที่มีคนเข้าใจผิดต่อพระองค์ท่านเข้าไปหาถามเพื่อให้คะแนนเพิ่มเติมในความเป็นอภิมนุษย์ของท่านท่านปฏิเสธ ขึ้พามคนหนึ่งเรื่อมใสท่านมากก็ไปถามให้คะแนนถามทมเฉยว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูคําว่าสัพพัญยูนี่สําคัญมากนะสังเกตุมันเป็นคําว่าอมนิสัยพระผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งทันน้งปวงเข้าหมายหนึ่งกรอนะครับพระเจ้าเป็นอมนิสัยพระเจ้าสิงสถิตยอยู่ทุกแห่งรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงทุกเวลานาทีและพามคนนี้ก็เลื่อมใสพระเจ้ามากก็ทูลถามว่าพระองค์เป็นสัพพัญยูหรือเปล่า หือที่เราเรียกสันเพชรนะครับสับเดียงกันกรบสีสันเพชรกับสีสับพันอยู่องค์ทา่ทานปิเสนนะท่านบอกท่านไม่ได้เป็นสับพันอยู่ตลอดเวลาสามก็ยังไม่เข้าใจยังถามว่าก็แล้วทําไมเมื่อทูลถามปัญหาทรงตอบได้ทันทีโดยเราก็รู้อยู่ล่วงหน้าแล้วคํตาตอบต้องบอกท่านต้องโน้มใจไปสู่ปัญหาแต่ด้วยล่วงนาาความหลุดพ้นความบริสุทธิ์ของภูมิปัญญาของท่าน ความแล่นโลดของปัญญาที่ว่องไวนั้นต้องโน้มใจเข้าไปสู่ปัญหาแล้วคำตอบก็แตกออกตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเราก็เอาพิณิหารนะนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ น, นะที่ต้องเข้าใจว่ารากฐานคนธรรมดานี่เองเหมือนเม็ดพืชธรรมดานี่เองที่จะงอกเป็นต้นโผลและต้นสไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์ดังนั้นจุดเริ่มต้นการภาวนาคือภาวะปกติครับคนธรรมดาสา ม, มัญเมื่อเวลาบวช กุลบุตเข้าบวชก็จะถามถึงภาวะปกตินี้ก่อ น, นเช่นคำมนุษย์โศกสิ่ง เ, เธอเป็นเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเทวดาหรือสัตว์นรกแอบมาจะขอบวชเขาไม่ให้บวชนะเพราะด้วยสามัญสํานึกเยี่ยงคนธรรมดารู้ผิดรู้ชอบแล้วซักถึงสัญญาประชาคมเราพ่อเราแม่แล้วอย่างมีหนี้สินหรือเปล่าเป็นการหนีอะไรมาหรือเปล่าซักซึ่งต้องตอบด้วยตัวเองด้วยสติสมปริดีตามธรรมดา มอบอำนาจให้ไปบวชแทนไม่ได้ครับคือมอบใหคนอื่นมึงไปบวชแทนกูแล้วต่อมาตัวเองโกรหัวห่มซําไม่ได้แล้วการบวชนั้นต้องเปล่งวาจาด้วยตัวเองสามครั้งคนอื่นพูดคลอเสียงไม่ได้หรือพูดนําไม่ได้ค้านเสียงเดียวไม่ได้แล้วข้อสำการที่สุดอุปชาไม่ได้บวชให้อุปชาเป็นผู้เปียงผู้คําประกันให้คํารับรองคนนี้ได้ตรวจสอบ คุณลักษณะแล้วเหมาะสมแต่การบวชนั้นสงบวชให้ครับแต่สงบวชให้นี่คิดในแง่งมุมกลับสงอาจไปให้สุดก็ได้ครับเมื่อคนนี้ทรยศตัวดวงการนะแต่นี่มันยุ่งกันใหญ่เลยครับ ม, มันอีกระบบหนึ่งพูดไปแล้วบรรยากาศทั่วไปผมพูดสั้นๆครับทุกวันนี้นะเหมือนที่ผมพูดหลายครั้งที่ห้องนี้ว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาดูท่านคงเปิดกลับอินเดียไม่ทันเลยพูดเล่นครับไ ม, ไม่ไม่ได้จริงๆคือ อะไรมันเปลี่ยนไปจนหน้าใจหายอะไรมันแปลปรวนไปจนกระทั่งว่าทัาบันซึ่งน่าจะบริสุทธิ์ฝุดของที่สุดอย่าลืมนะครับว่าผ้าเหลืองหรือความเป็นพรนะเนี่ยอยู่คู่ประเทศนี้มานับพันปีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งประหลาดหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับศาสนธรรมนั้นอยู่มากอย่างมากที่สุดไม่เกินสามรอยปีครับไม่ว่าในยุโรปหรือที่ไหนถึงยุคล่มจมแล้วเป็นยุคมืดยุกอะไร แต่ของพุทธศาสนานี่แปลกมากเลยครับนับฉนับอาณาจักรราชอาณาจักรศรีวิชัยด้วยนะพันปีเศษครับที่พุทธศาสนาได้ประดิษฐานาลงช่วงเวลานเนิ่ น, านนานนี้นะครับมันหมา ย, ยาว่าความเป็นพุทธแทรกซึมเข้าไปในในทุกหย่อมญ่าของผืนดินแผ่นของประเทศสยามจนลมปรานของเราจนความรู้สึกนิกคิดปินนาการของเรานี้ปลูกพันมากกับใครคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้า ทั้งเราไม่เคยรู้เคยเห็นแต่พอเอ่ยคำพระเจ้านี่เราอาจจะน้ําตาไหลเร า, ารู้สึกว่ามีที่ขึ่งอะไรบางสิ่งในฐานะที่เราเป็นเด็กเรารู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทักคุ้มครองอย่างน้อยที่สุดทั้งท่านต้องเป็นคนดีมากอย่างนีพูดอะมาเด็กๆท่านต้องสวยมากท่านต้องนิ่มนวลมากแต่ภาพอันนี้ครับอาจจะกลายเป็นจุดขาย ข, ายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ผมใช้ศัพท์อะไรก็ไม่รู้นะจุดขายคือสามารถที่ ลั่วนี้จุดอ่อนของมวลชนไทยเป็นอย่างนี้เอ่ยชื่อพระเจ้าแล้วน้าาําตาไหลชาวบ้านเห็นผ้าเหลืองนั่งรวมเัินยี่องค์ฉันข้าวเขาร้องไห้เลยนะฮคือเขาเห็นเหลืองๆ อ, อยู่คือศาสนายังอยู่พระศาสนายังไม่ล่มจมเพราะว่าเครื่องแบบนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมันในพวกเวลานี้นมากฝึกเสือเหนือใต้นะกว่าพุทธศาสนาติดตั้งกันในบ้านเมืองนี้ครั้งอดียนะเราต้องศึกษาเราจริงๆทราบซึงนะครับพระสงฆ์ กว่าจะไปสืบศาสนาว่านั้นล้มตายกันเป็นเป็นช่วงๆเพียงเพื่อ น, นำข่าวประเสริฐนี้มาให้พี่น้องรวมชาติได้รับรู้และมีส่วนแบ่งปันแต่แน่นอนครับมันไม่ใช่รูปธรรมมันไม่ได้ขนมเคก้กมันเกิดมันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่เงินแต่คือข่าวสารพระเจ้าอยู่ในฐานะที่ผู้ไปรู้ไปเห็นแล้วโคลธนาประกาศบอกว่า นี้มีสิ่งนี้อยู่แล้วสิ่งนั้นไม่ได้กลายอยู่หัวใจมนุษย์คือแก่นของจิตใจของเราเนี่ย เ, เราพบนะครับในบางขณะในบางช่วงที่ว่าเราซึ่งเป็นบุรุชนคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เป็นนักบวชโกนหัวไม่ได้เข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล่าวว่าเป็นหมื่นร้อยแต่มีช่วงขณะงงยามที่ศักดิ์สิทธิ์หัวใจมันเกิดปลดปล่อยตัวมันเองขึ้นมาจากพันธนาการของแพ้วบริสุทธทิ์ขึ้นมา คิดลา้าต่างระงับโดยตัวมันเองแต่ว่าไม่ง่ายและไม่บ่อยสำหรับคนที่ไม่เจริญภาวนาการเจริญภาวนาไม่ไม่ใช่อะไรอื่นนคือการอยู่ชิดประตูหัวใจตนเคาะประตูนั้นอยู่รอคอยอยู่ที่นั่นเราไม่สามารถเข็นตัวเองหรืออัตตาของเราผู้หนักและมากไปด้วยความปรารถนาเข้าสู่ประตูนิพพานได้ครับพระพุทธเจ้าเองก็เป็นอย่างนั้นท่านจูงใจตัวเองมา พักนิ่งอยู่ที่ต้นประสีมหาโพธิ์แล้วต่อสู้ครั้งสุดท้ายถูกย่อหยวนจาได้ไหมครับถูกย่อหยวนจกนกระทั่งเกือบจะล้มเลิกเช่นท่านนึกถึงพ่อถึงแม่มาเพระว่อหลายปีล่วงมาแล้วผลสุดท้ายยังไม่ปรากฏแล้วองค์ท่านโดดเดี่ยวถึงที่สุดผมเล่าย่อ น, นะครความโดดเดี่ยวคือเมื่อตอนท่านออกบวงในใหม่นั้นท่านไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวครับเพราะว่าถึงแม้พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยแต่ว่าประชาชนคนยากร้ายเข้าใจ แล้วมีวัฒนธรรมเก่ารองรับคือกษัตริย์ออกบวชจริงในช่วงนั้นกษัตริย์หลายพระองค์ออกบวชครับสมเหาย์เยอะเป็นกษัตริย์ที่วัฒนธรรมออกบวชด้วยเรียกว่าเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นรุ่นกัน ค, คงคงจะฟังขึ้นเมื่อตอนจะไปเข้าฌานไม่ต้องพูดครับมีคนรับรองมีคนเข้าใจในการกระทํานั้นมีบาดฐานของวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่ท่านไม่เหงาไม่โดดเดี่ยว ไปทรมานตนอยู่อย่างรุนแรงสาหัสก็ยังมีภาวะอุ่นใจเพราะคนยังกล่าวว่ามีวัฒนธรรมเก่ารองรับอยู่พอหันมาฉันข้าวเท่านั้นของ <c oughs> ฉันอาหารเพื่อมีพื้นกำลังเท่านั้นนะครับหมดเลยห้าคนสุดท้ายก็ไม่เล่นด้วยหนึ่งในห้าเป็นผู้ประชากรเป็นคติเดียวด้วยซ้ำนี่ก็ไม่เล่นด้วยคือกนธัญญา เราลองเดาก็ได้นะครับถึงภาวะจิตใจของท่านโดดเดี่ยวเดียวดายถึงที่สุดไม่มีวัฒธรรมไหนรองรับอีกเลยแต่ว่าพระองค์ท่านเข้าพระทัยการกระทำของท่านดีตรงนี้สําคัญครับ ต, ตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากที่นำรนพระองค์ท่านดันด้นมาจนข้ามแม่น้ําในลันชลาแล้วเห็นนิมิตหมายองการลอยถาดการทวนกระแส ความโดดเดี่ยวนี้เนียคยค่อยๆแปลสภาพไปเป็นความรู้แจ้งแต่แน่นอนนะครับถ้าโดดเดี่ยวที่ไร้หลักไร้ฐานปัญญาอาจจะวิกลจริตและบ้าได้คุณรูเรานี่เป็นสัตว์สังคมนะฮะถ้าสมมติเขาคใดครั้งหนึ่งเราเห็นพึ่งตัวใดตัวหนึ่งคลานต้มเตี้ยมอยู่เราควรจะรู้ว่าเขาเจียนจะตายแล้วครับเพราะตัวเขาจริงคือคือทั้งฝูงนั่นคื อ, อคบอดี้เองส่วนตัวเล็กๆที่คลานต้มเตี้ยมนั้นเป็นเพียงอวัยวะ ม น, นเราถูกจับตัวแยกไปอยู่โดดเดี่ยวสักช่วงหนึ่งเนี่ยสมองอาจจะสู้แล้ววิกลวิการดังนั้นพวกผู้นำที่เดียวโดดตัวเองเงื่อนใบมักจะพิกลวิการได้เหตุผลอันนี้นนครับพอสิจีนบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ไม่เพียงหนาวครับบ้าง่ายครับนี่น่าแปลกประหลาดมากครับที่ประชากรมากขึ้นทุกวันนี้ว่างว่าอีกสักสิบปีน้าหกพันล้านประชากรโลกนะแต่โลกร้ายที่คุกคามผู้คนอยู่คือความเหงา อะไรกันคนถึงหกพันล้านคุณไม่มีเพื่อนสักคนเดียวเลยเลยเหรอคำถามนี้ประหลาดขึ้นดดีนะแต่คือเรื่องจริงครับบางทีเที่ยงวันกลางวันกลาแสกเดินโดดเดี่ยนั่นนนไม่มีเพื่อนสักคนเดียวไม่มีใครเข้าใจเราเราก็ไม่เข้าใจใครด้วยนะสังคมกําลังก้าวขึ้นสู่ยุคของความรุนแรงภายในนะดังนั้นผลสะท้อ น, นคือความเจ็บป่วยในะอารมณ์ครับความเงาเ่็นสิ่ประหลาดมาก เรมักกินอาหาคนที่อยู่ในเทะเลทรายขาดการติดต่อที่จริงไม่ครับผมเคยอยู่ทําสองปีไม่เห็นรู้สึกเหงาอะไรสนุกครับแต่ความเหงาจริงๆที่อันตรายมากคืออยู่ในเมืองเนี่ยครับท่ามกลางความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ว่าพูดก็ไม่รู้เรื่องครับคนเดียวก็ไม่มีหันไปพูด ก, กับลูกไม่รู้เรื่องมันไปทางหนึ่งอะไรที่เราสอนดูดามว่มันเอาย้อนหัวหอกมาหาเราทั้งสิ้นโอ้นี่เป็นอาการที่ สังคมเมืองกำลังเข้าตาจนแล้วครับสองคืนก่อนผมค่อนข้างวนนอนด้วยเหตุเศร้าสลดของคุณทันโทรเลนิลูกชายสุดสวัสดของเพื่อนที่นสนิทสนองอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ยังงงผมยังงน ง, งงต่อเหตุการณ์อยู่แต่พิเคราะห์ได้ด้านหนึ่งว่าสภาพสังคมซึ่งคนเริ่มไม่เข้าใจตัวเองแล้วไมใ่ใจคนอื่นเลยนะไม่เป็นของกันและกันองเลนะย่างเท้าก็สู่อันตราย เชื้อโรคที่โรคร้ายที่ไม่มีเชื้อจุลชีวันโรคติต่อนั้นมันคุกคามด้านหนึ่งนะมีไวรั ส, สมีแบคทีเรียแต่อันนี้ไม่ดังนั้นว่ากันว่าจิตแพทย์อันนี้ผมไม่รับรองนะแต่ว่ามีเงื่อนเงื่อนปมที่ทําให้คิดต่อไปได้ว่ากันว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตผมไม่ไม่ยืนการนะแต่วก็ฟังนักจุยาเขาพูด แต่เห็นเงื่อนไขว่าน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันพระจิตแพทย์ก็คือคนธรรมดาที่ยังไม่ฝึกสติสติยังไม่ตั้งบนฐานของกายเวทนาจิตแธรรมนะคือคนธรรมดาที่จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่แฝดล้อมไปเจอคนป่วยซึ่งเขามีพลังมากเหมือนเราเจอคนบ้า น, นะครับเราก็ลังเจอเอาอะไรมางสิ่งซึ่งไร้ระเบียบเรามีแรงมีกําลังหรือเหมือนกับว่า วงดนตรีสองวงนะวงหนึ่งเล่นแข็งมากวงหนึ่งเล่นอ่อนเล่นคู่นักเดียวเดียวเข้าไปตามวงนนท์นะจังหวะลีลานะดัง น, นั้นจิตแพทย์ที่ยังไม่ฝึกจิตไม่มีคำวะไม่มีความสันโดษไม่มีความรู้ตัวที่เข้มข้นพอแล้วเขาเป็นไปได้ครับที่จะพลอยจะป่วยไปเพราะว่าคบหาคนเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นผมไม่รับรองคําพูดที่ตัวเองพูดนะแต่ว่าให้ข้อสังเกตซึ่งจิตแพทย์เองบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนมาก นี่น่ากลัวมากครับผมประมวลสรุปนะครับเวลาก็ร่วงเลยมาขนาดนีน้เราควรจะบูรณาการปัญญาในพุทธศาสนาซึ่งเราเติบโตขึ้นมานะครับในฐานะเป็นสิ่งเป็นมิ่งขวัญเมืองมิ่งขวัญของประชาชนคนไทยชาวพุทธมานานเราไม่ควรหลับหูหลับตาตัวเองโดยลังกีภูมิปัญญาแหล่งอื่นเพราะภูมิปัญญาแหล่งอื่นมันสะท้อนจากชีวิตเช่นเดียวกัน แต่อาจจะดูในรูปของรหัสสัญลักษณ์แรงต่างสิ่งที่แม้นว่าเราศึกษาบ้างแล้วนี่แหละเราจะเริ่มเลื่อมสายความเป็นมนุษย์เราเลื่อมสายที่มาของกลุ่มปัญญาไม่จำเป็นต้องสังกัดเป็นพุทธหรือเป็นคริสหรือเป็นอะไรเลยครับมันเป็นเช่นนั้นทําให้ศรัทธาที่เรามีในทางของพุทธตั้งมั่นแนบแน่นขึ้นด้วยแทนที่จะโยกไหวไปตามสิ่งแวลอ้อมเพราะว่าไม่ศึกษานั่นแหละจึงโยกไหว เนเดียวคนบ้านป่าคนเถื่อนที่ที่เราเรียวคนเถื่อนนะเห็นรถยนต์ครั้งแรกตกใจและกลัวพอมีใครสอนให้ขับห้ามเลยทีนี้หํามๆบึงยหยเลยเพราะว่าคือความกลัวนเองนําใ ห, ให้ให้ทําผิดอยู่ทุกสถานไปเราไม่ควรกลัวภูมิปัญญาของนอกพุทธศาสนาโดยเหตุ น, นี้พี่เจ้าจึงแนะว่าให้ศึกษาทั้งสองด้านพระชับเอ่อ พระทิฏฐิสกฐทิที่ผมบอกเธอท่านสอนพระนะเธอเพึงศึกษาทิฏฐิของผู้อื่นคือทัศนะของผู้อื่นและศึกษาสกฐิทิทิที่เรามีอยู่และอย่าด่วนรับอย่าบ่วนปฏิเสธไม่รับไม่ปฏิเสธแต่เมื่อต้องแสดงภูมิให้แสดงภูมิมัญาออกไปไม่ค้านว่าเขาผิดเมื่อทำอย่างนี้นะครับไ อ, อ้รากฐานที่มีอยู่แล้วโตใหญ่ขึ้นและเป็นประโยชน์ด้านมนุษยธรรมเป็นอย่างมาก ที่เราไม่เริ่มต้นในการแบ่งแยกคุณไม่คริสก็อย่าพูดผมเลยพุทธศาสนามีหลักเกณฑ์ที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ทรงความเป็นพุทธไว้ได้ตลอดช่วงยาวนานเป็นพันปีเนะีคือมุ่งอยู่ร่วมกับสัพทิศนิกอื่นด้วยสันติไม่ได้มุ่งกําจัดไม่ได้มุ่งที่กําจัดลทัทธิไหนเลยครับรวมไปถึงการภาวนาด้วยไม่ได้มุ่งกําจัดกิเลสคําพูดที่ว่ามุ่งกําจัดกิเลสนั้น ตามคำหัวใจขอผมไม่ถูกต้องตามเป็นจริงนะเพราะว่ากิเลสนั่นเองครับทําให้ได้ภูมิปัญญาปราศจากกิเลสก็ไม่มีปัญญาครับหรือเมื่อไม่มีกิเลสเสร็จแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ปัญญาอีกเช่นเรารู้ว่าพระอราหันต์นี่ไม่มีกิเลสดังนั้นท่านไม่มีปัญญาครับคือไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะาท่านไปอยู่กับวิมุติสภาพอิสระสมบูรณ์จากทั้งกิเลสและทั้งปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือครับ เมื่อเสร็จงานก็เป็นอิสระจากเครื่องมือด้วยนะหรือเด็กทารลกเรียกว่ากิเลนน้อยหรือถ้ายิ่งอายุอ่อนมากๆยิ่งไม่มีกิเลสก็ว่าได้นะครับดังนันแกไม่ต้องมีปัญญาเพราะแกไม่มีกิเลสนั่นเองนะกิเลสปัญญามาด้วยกันครับแต่ว่าเมื่อกิเลสเกิดไม่รู้ตัวนี่อันตรายแล้วครับท่านอุปมาเหมือนนอนพิงหลังเสืออยู่นอนหลับกับเสือเนี่ย เสือตื่นไอ้คนหลับไม่ตื่นยุ่งเลยครับแต่เสือตื่นคนตื่นมันเข้าไปสู่บาลานได้ง่ายเพราะเรามีกิเลสตัณหาดังนั้นปัญญาจึงเรืองรองขึ้นนี่หมายความว่าเราพยายามมองกิเลสในแง่ที่จะเอื้ออํานวยให้เกิดคุมปัญญาชั้นสูงไม่ใช่มองเพื่อสแสวงหากิเลสเพิ่มเติมแล้วไม่เอาปัญญาไม่ใช้ปัญญานะเ<ม>หตุหการณ์ที่ปรากฏขึ้น หลายเรื่องติดต่อกันช่วงสัปดาห์หรือเดือนที่แล้วทำไมหลายคนอาจจะคิดว่าทํำไมทุกคนจึงไม่มีปัญญาในเรื่องหลายหลายเรื่องหลายหลายประเด็นผมไม่ไม่เจาะจงไปสู่รายละเอียด น, นั่นหมายถึงว่าคนที่คิดอย่างนี้นี่ก็งว่าปัญญามีอยู่ทําไมไม่ใช้แต่ว่าหลายคนคิดว่าไอ้คนนี้โง่ไม่มีปัญญาที่จริงทุกคนมีปัญญาครับจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเองบางทีคนที่เราลักมากเท่าทูนมากเราไม่ใช้ปัญญาเลยครับเราใช้ความเชื่อรูปเดียว ก็อันตรายก็เกิดขึ้นเรามีสิทธิ์ใช้ปัญญาวันหนึ่งพระเจ้าท่านทรงตรัสสอนเรื่องคุณของอินศิหานะฮะสติวิญญาณสีมาที่ปัญญาว่ามีคุณอันเปิดเมื่อได้สับส่นแล้วบุคคลจะสับสู้พูดง่ายๆลัดๆนะและท่านหันมาถามภาษาลิบุตรว่าเธอเชื่อหรือเปล่าภาษาลิบุตรปฏิเสธครับไม่เชื่อแล้วก็แสดงภูมิปัญญาว่าจะเชื่อต่อเมื่อประสบด้วยตัวเองเท่านั้น ดูพระอักษรวกันนะฮะซึ่งพระเจ้าประธานสาธุการครับสาธุไม่ไม่ใช่ร้องสาธุพร้อมๆกันนะฮะท่านประธานสาธุว่าดีแล้วท่านไม่ได้พูดคําาสาธุนะแต่คำนี้มันแปลว่าเข้ารูปแล้วละ่ะใช้ได้ถูกมีสาระแล้วมีคํำรับรองจากพระผู้รู้นะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากครับว่าชาวพุทธต้องเดินสายปัญญามีความเชื่อมั่นทางปัญญารืนรมเมื่อได้ยินเรื่องราวของภูมิปัญญา ชื่นชอบมีชันทะมีวิริยะในเรื่องภูมิปัญญาการดูแคลนภูมิปัญญานี่ก็คือดูถูกแก่นใจของตัวเองน่เองผมคิดว่ายุติเท่านี้นะครับมีเวลาเหลือเล็กน้อยครับผมมีเวลาขึ้นยี่โมงนะครับ เปเดชทพระเจ้าหรือพระปฏเจ้เาหรือว่ารูลที่ได้จับเป็นไหมก็ต้องต้ององุปถัมภ์ที่มชมพทูทวีป๋อค ร, รความรู้นี้นะครับแหล่งที่มาก็คืออัตถกถานนะเป็นพระคำเภียร์อัตถกาซึ่งเป็นการสร้างคติให้เราเห็นความสําคัญของชมพูทวีและชมภูทวีก็หมายหนึง่งไม่ใช่หมายถึงประเทศอินเดียในปัจจุบันนะฮะ คำทวีปหรือทวีปหรือทีปานี่นะครับเขานิยามว่าแค่มีน้ำล้อมรอบสามด้านก็เป็นทวีปแล้วนะแล้วก็ทั้งอดีตคำว่าชมพูทวีปหมายถึงโลกครับตรงนี้ที่มันยุ่งงันใหญ่เลยเพราะว่านี่เป็นถ้อยคำเป็นนิยามมาในรูปของลิเทเลชั่วรรณกรรมทีความรู้เก่าแล้วบอกว่าเหนือชมพูทวีปมีอุตรกรุทวีปทุ่งกรุ เป็นทุ่งราบบางคนบอกเป็นรัเสเซียไปโน่นครับ <c oughs> คือเราพยายามดึงเรื่องที่โครงสร้างมันเป็นเรื่องจินตนาการ <c oughs> เพื่อให้สำเร็จประโยชน์บางอย่างเหมือนคําว่าสวรรค์สถาบันสวรรค์นรกนรี่ฮะถ้าใครยังเชื่อจนตราบถ้ า, าวุวันนี้เป็นเรื่องจริงว่านรกอยู่ใต้ดินยุ่งใหญ่เลยผมว่านะี่นี้เขาพิสูจน์กันจนทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้แนละ้วว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นหรอกครับสวรรค์ก็เหมือนกันเลยครับแต่ว่าเขาสร้างมลพิษจักรวาลขึ้น บางทีเร่ยกโมโนนิเวศคือไม่รู้จะแปลนิเวศแห่งมโนจักรวาลของความรู้แจ้งทางใจนั้นไม่จําเป็นต้องตรงในจักรวาลที่ที่ทางฟิสิกนักฟิสิกเขารู้นะฮะแต่ว่าเล็งเราสู่ประโยชน์แล้วบางทีความรู้เก่าก่อนหน้าพุทธกาลเช่นการให้คํานิยาม ว, ว่ามีจักรโรครบาลคุ้มครองพิทักรักษาอยู่ทิศนี้เท้าทิศราชเทาวิรุณจําบังเทาวิรุณหกเทาวิรุณปัก เพื่อสำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนาธรรมนะไม่ใช่เพื่อความรู้เพื่อความรู้อันนั้นแต่เพื่อสมมติฐานันนั้นนิยามมันนั้นนำสะท้อนเข้ามาสู่ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสำเร็จประโยชน์เช่นถ้าเราเชื่อมีพระอยู่ในทุกประตูเนี่ยเราระวังตัวครับหรือแม้แต่เราพุทธก็ ป, ปตั้งบนยิ่งไว้ทาง น, างนี้ทางนี้นะ เวลาทาชั่วทําบาปก็ลำบากลาบากขึ้นครับหรือลูปปิดามันดาของเราเราติดไว้คืนไหนเมาหนักมานอนหันเท้าไปหาท่านตื่นเช้ารู้สึกไม่ค่อยสบายอารมณ์เท่าไหร่นี่เป็นเป็นวิธีการครับเป็นเรียกว่าเป็นเมธอดวิธีกรรมวิธีที่จะหมุนความรู้สึกเนี่ยไปสู่สิ่งที่ที่หนักแน่นและดีขึ้นนะที่ว่าพูะเจ้าทุกองค์เกิดนทโทวนั้นผมก็เคยอ่านผ่านหครับ แต่ผมผมผ่านเลยผ่านเลยว่าผ่านเลยไปสู่ความหมายของคําวัาชมพูที่คือโลกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องลงมาตรัสสรู้ในโลกมนุษย์ครับชมพูทีวิ่คือโลกมนุษย์เพราะถ้าท่านตรัสสรู้ในดุสิตโลกดุสิตนะฮะโลกที่สงบยิ่งนะครับความรู้นนั้นจะไม่สามารถเอื้อมหนวยให้มนุษย์ทั่วไปมนุษย์เราๆท่านๆเนี่ยนะเข้าถึงได้ดังนั้นเป็นการลด ศักยภาพในการตรัสรู้ของท่านความกว้างใหญ่ไพศาลความละเอียดอ่อนมาสู่โลกมนุษย์ซึ่งหยาบด้วยความเสียสละไอ้ น, นี้เป็นวิธีคิดเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีในควาคัมภีร์บอกว่าเทพเจดาทั้งหลายไม่ส่วนใหญ่ไม่อาจตรัสรู้ได้ในเทวโลกต้องจุดติมาเป็นมนุษย์ก่อนแต่ว่าเทวดาส่วนใหญ่ต้องลงนรกก่อนแล้วจึงขึ้นมาสู่โลกมนุษย์โลกมนุษย์ วิสัยแห่งมนุษย์นี่เป็นวิสัยที่กลางๆครับซึ่งอาจจะเข้าใจซึ้งในอริยสัจสี่ได้เทวโลกโลกนันแสนสุขไม่สามารถเข้าใจอริยสัจสี่ได้เพราะทุกอย่างมันถูกกลบไปด้วยความสุขสาํารานง่ายงในสังคมธรรมดานี้เราก็เห็นนะฮะคนบั่งมีที่สุดนั้นพวกนี้ไม่รู้จักทุกคือไม่มีเวลาที่ให้ทุกมือสุขสํารานตลอดเวลารู้ธรรมะยากครับส่วนสัตว์นรกนั้นรู้แต่ทุกต่อเนื่องจนกระทั่งยากที่เข้าใจที่สุดทุก ไม่ค่อยมีประสบการณ์โดยธรรมชาติที่จะเห็นที่สุดทุกในตัวมันเองเนี่ยนะครับทีนี้โลกมนุษย์เป็นโลกลกลางๆครับมนุษย์เซโลกนะและความเป็นมนุษย์เนี่ยมันพอเพียงที่จะเข้าใจอริยสัจทุกเหตุของมันแล้วก็ที่สุดทางให้ถึงที่สุดซึ่งอยู่ในตัวเองพระเจ้าบอกว่าท่านบัญญัติเรื่องเลือัสีสสสนี้ให้เป็นยานเดียวครับแต่นักวิชาการอาจจะปรับแปลงซึ่งท่านห้ามนะ ตรงกระทำไม่ให้สลับหัวข้อกันเพราะอริสสัตตสไม่ใช่ศาสตร์แต่เป็นตัวประสบการณ์ใน ก, การภาวนาคือต้องรู้จักทุกก่อนและทุกท่านกนําหนดกิจว่าไม่ต้องทําอะไรกับทุกไม่ต้องมุ่งกระจัดความทุกข์รู้เฉยๆท่านั่นเองให้รู้จักท่านั่นเองนะฮะรู้จักทีนี้ถ้าสมมุติในแง่ของระบบคิดทางวิชาการเหตุต้องมาก่อนผลเหตุแห่งทุกหน่าจะมาก่อนแล้วก็ทุก แล้วก็มักน่าจะมาก่อนนิโรธโดยวิธีคิดเชิงเหตุเหตุไปสู่ผลผู้เจ้าปลาเ ม, มาเลย์นะท่านอย่างรู้ว่าต้องมีนักเลงดีเข้าใจผิดแน่ๆนะเข้าใจมันในแง่วิชาการเรื่องปลาว่าห้ามสลับหัวข้อผมจําที่มาไม่ได้แต่ยังจําได้ว่ามีที่มีท่านท่านกล่าวจัด ก, า, การเจริญภาวนานะครับธรรมะทั้งหมดเพียงเพื่อ น, นําเราก็สู่การเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยจิตใจซึ่งสัตว์ซื่อครับ ใจิตใจสัตย์ซื่อได้แต่เมื่อสติเข้าไปมีบทบาทความสัตย์ซื่อนั้นก็จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกข์แล้วประจับแจ้งทุกข์แล้วประจับที่สุดทุกข์ด้วยโตของมันเองด้วยด้วยธรรมชาติของมันเองทางเดินนี้ไม่ใช่ทางอาร์ติฟิเชียนครับไม่ใช่ทางที่เราสร้างขึ้นเองได้ดังนั้นเป็นเหตุให้พระเจ้าท่า น, ย, น, ย, นยืนยืนยืนยันนะครับไม่ว่าในอนาคตคดีแน่ดีคดีพระพุทธเจ้าทุกลงตรัสรู้อริยสัจ แจนะุมพูธวิน่าจะเชื่อมโยงความสลักสำคัญของอริสัตว์สีนะฮะมีอีกแห่งครับที่แหล่งจากทิเบตพระเจ้าถึงกำเนิดในขุมนรกได้ทุกขุมฟังดูก็ลุ่มลึกอย่เหมือนกันครับในโลกสัตว์เดรัจฉานโลกของเปรดวิสัยนะฮะโลกสัตว์นลก มีผู้เจ้าปรากฏกายขึ้นเพื่อโปรดสฟังดูก็ลุ่มลึกครับแต่ว่าต้องไปไปศึกษาให้เป็นระบบจึ่งนี้เข้าใจความได้สิ่งอันนี้ไม่ใช่วัตถุที่ตั้งความเชื่อครับเราจะเก็บมาเชื่อเชื่อนี่ไม่ได้มีมีอะไรไหมครับคือเวลาได้ยินคําสอนเกี่ยวกับการภาวนามักจะได้ยินว่าให้ให้ฝึกการมีสติรู้เฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดใช่ไหมค ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทราบตรงนี้ถูกหรือเปล่าครับแต่มีคนคิดอย่างนี้มากแต่ผมคิดว่าผิดครับก็คือคือประเด็นที่ผมอยากจะถามอาจารย์คือคาว่าปัญญาที่ที่ที่เราควรจะใช้เนี่ยหมายถึงว่าสมมุติเวลาเราเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมาเราให้เรารู้เท่าทันความฉุนเฉียว น, นั้นแล้วก็วางเอ่อไม่ไม่ไปสนใจมันอีกหรือหรือว่าหมายถึงว่าให้เราเอ่อเก็บมาพิจารณาว่า ความเฉลิ้มเฉลียวเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงเกิดจากเขตอะไรเราจะแก้ไขได้ยังไงคือคือเป็นลักษณะวิเคราะห์ไม่ไม่ทราบว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงหมายถึงยังไงบ้างครับเป็นคําถามที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเกี่ยวข้องกับปัญหาประเด็นนี้อยู่ไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าแทบทุกคนเนี่ยต้องเผชิญกับอารมณ์ทุกคน น, นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีวิธีที่จะจัดการ หรือเกี่ยวข้องตามระดับของสติปัญญานะฮะก็โยงไปถึงประสบการณ์ผมบ้างนะครับมันครัง้งหนงเนี่ยผมฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ท่านอาจารย์สวัสดีย <c> ว <oughs> จะเข้าใจว่าเป็นคนเดียวท่านสอนซึ่งที่จริงท่านสอนดีมากนะผมไม่ไม่ต้องการจะระบุชื่อนะฮะแต่ผมเองฟังพลาดจับพลาดไปท่านสอนอย่างนี้ครับท่านบอกว่าการเจริญนิพพานก็คือการรู้ตัวรู้รู้รกหนดรู้นะฮะ แล้วให้พิจารณาเมื่อราคะเกิดให้รู้ว่าราคะเกิดขึ้นกับเราแล้วหนอให้พิจารณาต่อว่าราคะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําอย่างนี้แล้วราคาจะดับไปผมเชื่อแต่ผมปฏิบัติผลออกตรงข้ามเลยครับคือหนักขึ้นทุกทีว่ตรงนี้ตอผมเอกใจมากเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยเราก็คิดว่าเราทําดีแล้วเนะียเรื่องของเรื่องมันเพิ่งมาแจมแจ้งกับผมช่วงหลังครับว่า ไม่ต้องยุ่งกับราคาเลยเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็อย่าไปสนใจมันยิ่งดีที่สุดแต่ต้องสนใจอีกตัวหนึ่งคือสภาวะก่อนหน้าที่ราคาจะเกิดให้คุณยิ่งกับสภาพที่ไม่มีราคาไม่มีโทรศัไม่มีโมหะนะฮะคือธรรมชาติแท่งเรานี่มีอยู่จิตประภัสสรนี่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับทุนอันเนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญมากเลยแต่เราไม่คุณครับเราเหมือนกับว่เาเวลาเราสบายอารมณ์จิตใจสงบแล้วเราก็ลืมตัว หลงละเลงไปเพลิดเพลินไปเรื่อยนะหรือวันไหนสบายใจมาตั้งวงเลยเราชอบที่จะไม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้คำพูดที่ว่าเมื่อราคะเกิดให้กำหนดรู้นั้นใช้ได้ครับต่อเมื่อฐานของการรู้จักสภาพไร้กิเลสเนี่ยนะชัดเจนแล้วดังนั้นทำให้คุ้นเคยกับสภาพก่อนหน้ากิเลสเหมือนการเล่นกับ้ารดนตรีนะครับคนหนึ่งนั่งแล้วคนหนึ่งนั่งไม่ได้ลนะ ถ้าผมแนบแน่นอยู่กับสภาพไร้กิเลสพราะกิเลสขึ้นมากับความคิดเหรอฮะราคาเกิดลอยลอยไม่ได้ครับเมื่อเราพูดว่าราคาหามายว่าความคิดอิงราคะถูกไหมฮะโทรศัพทเหมือนกันครับแต่ถ้าอารมณ์ปะทะล้วนๆ น, นี่มันตั้งอยู่ไม่ได้ครับถ้าเรารู้ตัวอยู่บนพื้นฐานแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติบริสุทธิ์ในตัวเรานะฮะพออารมณ์ปะทะมันจบเองในตัวมันเองไม่ต้องพิจารณาครับ การมุ่งพิจารณานั้นเท่ากับตอกย้ำความจำในราคามีสัญญาในราคาอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าพอราคาเกิดนี่มันของสวยงามนะครับถูกไหมสำหรับคนที่ต้องการมันเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้ต้องการมันอยู่แล้วต้อนรับมันเลยทีนี้พอไปพิจารณาเข้าเท่ากับใช้ความคิดความจำเข้าไปย้ำ